จะมาเลิดเธอในวัดนะตั้งหน้าตั้งตามาปฏิบัติศีลธรรมให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ จ, จริงๆนะอย่ามาเล้ด เ, เธอให้เห็นนะเราเบื่อพอแล้วเบื่อพระเรานั่นแหละไปที่ไหนเห็นจะรูปพระหัวโล้นผ้าเหลืองโก้เก๋แบบโลกเขาสกป่งยิ่งกว่าโลกนะี่ยจำให้ดีนะเราอยากเป็นอย่างนั้นเหลือจะไม่อยากไปอย่างนั้นเอาเลี่ยงความเพียรซ่า ชำระตัวโซกโป่งอยู่ในหัวใจนั้นออกนะแม่งัมมันจะเลอะเทอะกันหมดทั้งโลกนะั่นแหละโลกทั้งโลกนี่มันเลอะเทอะอยู่ที่จิตใจด้วยอาํานาจของกิเลสที่เป็นยอดยอดโซกโปกนะ่งมันคุมปกคุมอยู่ในหัว ใ, ใจสแสดงที่ยาวเป็นช่วนเป็นฐานไปนหมดทั้งโลกทั้งโงรงศาลยังโอบอ่าว่าดีวะเนี่ยนั่นเห็นไหมกิเลสกรอบคนให้เป็นบ้าสโสรนอนเอาทําจับเข้าไปสิ ว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นเหรือกิเลสเป็นของดิบของดีเหรือมันที่บนหัวใจเราเห็นไหมนั่นมันดีที่ไหนถ้าว่าเป็นเป็นของดีพระพุทธเจ้าจะจะชำระและสอนให้ชำระทําไมเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์เลิศเลยแล้วจิตใจของเราที่จะพอใจการในการชำระเิียดนี้จําหนักเข้าไปหนักเข้าไปนะ นี่เห็นตั้งแต่พวกช่วงพวกฐานคือกิเลสนั่นแหละเป็นของดีของดีโลกจึงเป็นบ้ากันไปทั้งโลกมันไปที่ไหนมีตั้งแต่ความทุกข์เดือดร้อนไม่ไม่เข็ดไปหลับลายไหนที่ไม่มีทุกข์ฝังอยู่ที่หัวใจอย่างน้อยฝังที่หัวใจสูงอยู่นั่นมากกว่านั้นกระจายออกมาโอยเหมือนกับส่วมก็ฐานอยู่ในส่วมเป็นอันหนึ่งกระจายออกมาภายนอกจากส่วงแล้วเลอะเทอไปหมดนะนี่แหละของเหม็นเป็นอย่างนั้นแ่ะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะ จำโมดีพระเราย่อมาหาสอดรู้สอดเห็นเรื่องโลกเรื่องสงสารนะพะถ้าจับได้ไล่นี่เลยนะอืมมันเก่งประทางอย่างนั้นนะพระเรานะ่ะอืโลกเขาเป็นยังไงก็าอยากรู้อยากเห็นกับโลกเขานี่นี่ละตัวสําคัญมากนะมันมาหาธรรมแต่มันไปหาช่วงหาฐานแบบนี่แหละมันเละเทอะจริงๆนะเวลานี้ศา ส, สนาจนจะไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าจะไม่มีความหมายไม่ใช่ที่เด็ดยียบ เยียบลงตลอดจนไม่เห็นพระเศียรหรือหัวพระผู้ธเจ้าแล้วมีเตกิเลต ข, ขึ้นแทนขึ้นแทนมันเอามาโปะนั่นที่พวกเปรพวกผีพวกเราเนี่ยไม่รู้จักบุญจักบาปมิเตกิเลตเป็นของเลิศของเลิศเอากที่ไปโปะหัวผู้ดีเจ้านอกจากโปะหัวตัวของจนเต็มไม่มีที่โปะแล้วโปะผู้ดีเจ้าเข้าไปสิําไม่ดีนะเลื่อเลื่เทอเทอในเวลานี้นะ พระเรานี่ยเละเทอะมากที่สุดนะให้ดูตัวเองนะเราเป็นพระด้วยกันทุกคนอย่าหาเจอโอ้อาผู้ฝ้าเป็นบ้ากับยิเด็ไปบวชมาเพื่อําระยิเงเด็ดเลยกลายไปเป็นบ้ากับยิ่เด็ดไปล้นั้นเวลานี้พระเราเนี่ยดูให้ดีทุกคนนั่งฟังอยู่นี้น่ะมันเป็นยังไงเราเป็นพระหรือเป็นเปรตหรือเป็นผีหรือเป็นชั่วเม็นถาหรือเป็นเทวทัตโลกพระพุทธเจ้าให้ดูตัวเองนี่นะมันเละเทอะขนาดนั้นแล้วละให้บอล